บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้สาสัว์แก่ท่านปิงกิะนั้นทรงเน้นไปที่การพยายามดับตัณหาเพื่อจะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปโดยทรงสอนให้ ศึกษาบทเรียนจากโลกในภายนอกคือความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มีการเบียดเบียนการประทุษร้ายกาันประสบความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆนั้นทรงสอนให้สืบเสาะไปถึงต้นเหตุของการเบียดเบียนการประทุษร้ายกาันก็จะพบว่าตัวการสําคัญก็คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล เป็นตัวผลักดันให้เกิดขึ้นความรุนแรงในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามและทรงสอนให้มองเห็นโทษของความรุนแรงเหล่านั้นซึ่งบุคคลจะต้องประสบในขณะนั้นๆและประสบในช่วงที่ยาวขึ้นตลอดถึงประสบในสังสารวัฏา็ น, นี้ประเก็นว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้คา เรียกบุคคลอันแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษที่มีอยู่ภายในใจจะเรียกผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาว่าเป็นภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏคือประสบความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกที่บุคคลประสบอยู่ในสังสารวัฏนั้นตัวการใหญ่ก็คงมา จากกิเลสนั่นเองแต่ว่าผู้ที่มองนั้นให้มองในช่วงยาวๆเพราะบางครั้งถ้ามองบีบปวงแคบๆเข่าก็จะติดอยู่ในความสุขในขณะนั้นๆพอความสุขที่ตนติดอยู่เกิดดับไปก็เพ้อขวันถึงความสุขเหล่านั้นต้องการเรียกร้องให้ความสุขเหล่านั้นกลับมาอีก ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าบ่นเพ้อถึงเรื่องอดีตเพราะจริงเรื่องอดีตก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วบุคคลไม่สามารถจะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้แต่เพราะการที่ไม่รู้เท่าทันถึงความจริงของชีวิตมีบุคคลเป็นนั้นมากที่จมอยู่กับอดีตเรียกร้องต้องการให้อดีตที่หวานชื่นกลับคืนมาซึ่งแสดงเห็นว่า ไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจาให้เห็นถึงความจริงในเรื่องนั้นๆบางครั้งบางโอกาสประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบันก็ตั้งความหวังขึ้นมาใหม่คือคิดว่าในโอกาสต่อไปนั้นอะไรๆก็คงจะดีขึ้นที่จริงความตั้งใจในลักษณะนี้ระดับธรรมดาสามัญก็เป็นเรื่องของความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ที่ตนกำลังประสบอยู่ให้บันเทาประปรายลงไปโดยความหวังว่าแม้จะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ควรจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่เมื่อมาถึงขั้นของการทำใจของตนให้สงบใจก็คงวิ่งไปสู่อนาคตการถึงก็ขอให้เกิดความฟุ้งซ่านท่าสายของใจความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นพอถึงขั้นของการปฏิบัติแม้แต่ความฝ่ายขวัญถึงอนาคตเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนแล้วก็ต้องหยุดความคิดเหล่านั้นเอาไว้ให้มากําหนดดูที่ปัจจุบันการที่ทรงสอนให้มองเห็นโทษของตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่หลากหลายออกไปในลักษณะต่างๆนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัติกรจัดปัญหาด้วยการแก้ที่ตัวเหตุของปัญหาจริงๆ ไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวผลหรือแก้ในเรื่องอื่นๆเพราะถ้าไม่แก้ที่ตัวเหตุแล้วจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อสร้างปัญหาแต่วิธีการของพระพุทธเจ้านั้นใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้หมดปัญหาการหมดปัญหาจึงเป็นเป้าหมายดังนั้นเมื่อท่านปิงคยะกร า, าบทูลถามถึงเป้าหมายในชั้นสูงสุดเพราะท่านมองเห็นว่า ชีวิตของท่านที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆนั้นเกี่ยวเนื่องมาจากความเกิดท่านมองเห็นขณะนั้นเพียงว่าตัวเหตุนั้นอยู่ที่ความเกิดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนในลักษณะสืบสอดลงไปว่าที่จรงิงความเกิดก็เป็นผลมันเกิดมาจากตัณหายถ้าใจไม่มีตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเมื่อความเกิดไม่มีความทุกข์ที่ท่านเดือดร้อนกันอยู่ก็จะสงบระงับดับลงไป เพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดสืบเนื่องมาจากความเกิดเป็นประการสําคัญดังนั้นจึงทรงสอนในลักษณะที่สืบไปถึงต้นตอดังกล่าวตัณหานั้นมักจะใช้ในกรณีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลปรากฏตัวเด่นวินลักษณะของตัณหาแปลว่าอาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากหอยคว้าปรารถนาอารมณ์ต่างๆบางครั้งท่านเรียกว่า ตันหาวิจริตคือการแล่นไปด้วยอํานาจของตันหาซึ่งหมายความว่าถ้าใจไม่มีตันหาใจก็ไม่แล่นไปแต่ตราบใดที่ใจมีตันหาอยู่ใจก็ต้องแล่นไปไอตัวอารมณ์ที่ใจเล่นไปนั้นท่านเรียกว่าตันหาโขจรคือที่เที่ยวไปของใจที่เที่ยวไปของตันหาที่เที่ยวไปของตันหานั้นก็ไม่อื่นไปจากพวกอารมณ์ทั้ง6ประการ คืรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑและธรรมารมบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปที่ละเอียดโดยบ่งชัดลงไปว่ารูปปตัตนหาคืออาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในรูปสัตตตันหาอาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในเสียงคืออยากฟังเสียงที่ไพเราะที่ตนอยากฟังกันทะตันหาคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต้องการจะสูดดมกลิ่นที่ตนพอใจรสะตันหา จิตติเด่นรุนทะเยอทะยานอยากไปในรถซึ่งตนปรารถนาลิ้มปัดปรารถนาจะชิมโหตภะตันหาคือตันหาในสิ่งที่ตนอยากจะจับต้องจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ตามและธรรมะตันหาคือตันหาที่เกิดขึ้นในสิ่งซึ่งเก็บไว้ภายในใจที่บางครั้งท่านใช้คำว่าธรรมารมธรรมารมนั้นที่จริงก็เป็นของเก่าเก็บเดิมทีเดียว ก, ก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคล ใจตึองทำหน้าที่จำก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นบางครั้งท่านแปลว่าจิตคือสิ่งที่เก็บสังสมอารมณ์เอาไว้แต่เนื่องจากประสาทสัมผัสของบุคคลได้ผ่านพบสิ่งต่างๆทั้งดีบ้างทั้งไม่ดีบ้างการเก็บการสะสมจึงเก็บไว้ทั้งสองฝ่ายหรือเก็บไว้ทั้งส่วนที่เราชอบและส่วนที่เราชังเรที่เองจิตใจของบุคคลจึงเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจความชอบความชังที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ การที่จะแก้ไขตันหาบางครั้งไม่ถึงกับต้องการที่จะดับตันหแจะเป็นการสอนในแนวตัดกระแสของตันหาโดยการไม่ให้เหยื่อแก่ตันหาการไม่หเหยื่อแก่ตันหานั้นทรงสอนไว้หลายช่วงช่วงแรกก็คือการหลีกหางไกลจากอารมณ์ที่สงใช้คำว่าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกทำไมจึงเน้นไปเฉพาะ <c oughs> อารมณ์ที่เป็นข้าสึกก็เพราะว่าอารมณ์ที่ผ่านมานั้นจะให้เกิดกุศลก็ได้จะให้เกิดอกุศลก็ได้ในในกรณีที่เป็นอารมณ์ให้เกิดกุศลก็ต้องสนใจสนใจดูสนใจฟังสนใจศึกษาแล้เรียนเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลก็ทรงสอนให้หลีกข้างจากอารมณ์เหล่านั้น การหลีข่างนั้นทรงใช้คำสรุ ป, ปวิเวกวิเวกก็คือสงัดหรือสงบสงบนั้นหมายถึงกายที่ไปอยู่ในสถานที่ซึ่งไกลจากอารมณ์อันมีลักษณะกระตุ้นเตือนให้เกิดความกำหนัดความเพเลิดเพลินอย่าดีในอารมณ์ต่างๆถึงในสมัยพุทธกาลเราทรงเน้นไปที่ป่าเขาลำนองลำนองไพรพวกถ้ำพวกทุกท่งนา ซึ่งไม่มีรูปที่รุงแต่งมาโยโยนให้เกิดความกำหนักความเพลิดเพลินแต่ว่าบางครั้งบุคคลไม่สามารถจะหลีกหนีจากอารมณ์เหล่านั้นได้ก็ทรงสอนในรูปของการไม่ให้คบค้าสมาคมกับบุคคลที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เพิ่มกิเลสตัณหาขึ้นภายในใจ ดังนั้นธรรมะปฏิบัติไม่ว่าในส่วนของการละนิวรณ์ในส่วนของการเพิ่มธรรมะเช่นโพชฌงเจ็ดเป็นต้นทุกๆข้อพระพุทธเจ้าจะทรงใช้คำว่ากาลยาณมิตรตาหรือต้องคบหาสมาคมกับคนดีที่เรียกว่ากาลยาณมิตรไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะการเกิดของตัญหานั้นบางครั้งเราไม่มีปัญหาอยู่ภายในใจ มีคำพูดเร่งร้าวกระตุ้นยั่วยวนให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลิพนจากบุคคลอื่นคนเราอื่นมาเพิ่มเชื้อของตันหาให้บวกกับเชื้อของตันหาที่มีอยู่แล้วในสุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคำเชิญชวนเหล่านั้นซึ่งกรนี้สามารถสังเกตได้ในบุคคลทั่วไปแม้โดยพื้นฐานอัตยาสายแก่จะเป็นคนดี แต่เพราะไปควบหาสมาคมกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนก็ดึงชักนำไปให้ประกอบกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆบางครั้งก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามแรงของตัณหาที่เก็บสะสมเพิ่มขึ้นภายในใจแต่ถ้าบุคคลได้อาศัยกัลยานมิตรคือคบหาสมาคมกับกาลยาณมิตรแล้วกัลยานมิตรนั้นจะแสดง คุณธรรมของตนออกมาในรูปของมีความรักใคร่มุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคล น, นั้นกระทำสิ่งที่เป็นอุปการะเกื้อกูลระบุคคล น, นั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ซึ่งตนสามารถกระทำสามารถชี้แจงหรือสามารถแสดงออกมาได้ก็จะกระทำจะชี้แจงจะแสดงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ยามใดที่ประสบความทุกข์ ก็พร้อมที่จะไปเชิญปัญหาแก้ปัญหาด้วยกันดังนั้นเมื่อบุคคลได้กัญยาณมิตรก็จะช่วยให้จิตใจของตนได้รับการชี้นำจากคนดีซึ่งกัรยาณมิตรนั้นทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นตัวของพรหมจรรันทร์คือตัวหลักในการปฏิบัติความดีหรือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐข้อนี้ปราณุเทระได้เคย กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้านมีความเห็นว่ากรรยานามิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของการทำความดีทีเดียวพระเจ้ารับสั่งว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นที่จริงแล้วเป็นตัวความดีทีเดียวแต่คำว่ากรรยานามิตรในความหมายที่ทรงแสดงนั้นแสดงธรรมะที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วประกาศหนึ่ง และแสดงในองค์ของธรรมะเช่นอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นต้นโดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเองก็ทรงดำรงสถานะเป็นกันลยาณมิตรของพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นเมื่อได้กัลยาณมิตรทั้งในรูปที่เป็นบุคคลและในรูปของกุศลธรรมจิตใจของบุคคลเคยรับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากบุคคลและธรรมะที่ดี สามารถดำเนินเข้าสู่ความสงบความประณีตในขั้นต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เขาผาสมาคมกับคนดีอยู่นั่นเองแต่ก็มีคนได้อารมณ์เป็นนั้นมากที่เป็นคาดศึกต่อจิตใจเราจะทำอย่างไรกับบคุคคลในอารมณ์ล่านั้นในฐางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปทำลายคนไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะการทำลายคนก็ดีทำลายสิ่งแวดล้อมก็ดีทั้นแล้วแต่เป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ส่งสอนให้แก้ปัญหาที่ตัวเองเพราะที่จริงแล้วเพืงสังเกตว่าสมมติว่ามีคนพานมาเกี่ยวข้องความเป็นพานนั้นอยู่ที่เขาเท่านั้นไม่จะเหมือนกับเชื้อโรคที่ไหลเข้ามาหาเราได้แต่เราไม่รับดังนั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นฆาศึกหรือคนพาน ที่บางครั้งท่านชีกันว่าปรปัปากหรือปฏิปักษ์คือฝ่ายตรงกันข้ามที่อาจจะทำนำภัยนำอันตรายมาสู่บุคคลได้ก็ส่งสอนให้สำรวมระวังไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญแก่บุคคลนั้นแม้จะมีการเชิญชวนชักชวนแนะนำอะไรจากบุคคลนั้นก็ตาม เพื่อรักษาน้ำใจเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงก็อาจจะฟังไปการฟังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องฟังอย่างหนึ่งแต่การจะเลือกระพฤติปฏิบัติหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันบางครั้งก็อาจจะหาประโยชน์จากสิ่งเดดนั้นก็ได้หรือว่าทดสอบความเข้มแข็งในด้านจิตใจของตนเองก็ได้ เวลาถูกคนมาย่วยุกมาย่วยวนให้เคลืบเคิมรึงลงหรือครับแค้นถิงสังนั้นใจมีกำลังต้านทานต่ออารมณ์นั้นได้หรือไม่แต่เห็นว่าจิตใจของเราอย่างอ่อนไหวได้ง่ายอย่างซัดสายไปตามคำปลอบประโลมคำเชิญชวนคำชี้นาของบุคคลอื่นที่ไม่หวังดีได้ง่ายก็จะเกิดจิตสำนึกที่จะเพิ่ม สติปัญญาเพิ่มเหตุผลในการวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ภากยิ่งขึนปนัญหาที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภายนอกหรือเกิดขึ้นจากภายในก็ตามวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นให้แก้ที่ภายในไม่ได้มุ่งให้แก้ที่ภายนอกข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นรูปของพระพุทธภาษิตรือคาสอนสั้นๆโดยสรุป ที่ประรบถึงการกระทาของบุคคลสวดมากจยมักไขว้คว้าสนใจเดือดร้อนวุ่นวายกับถ้อยคำหยาบคายร้กาศของบุคคลอื่นและสิ่งที่เขาทำแล้วและสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำแต่เราจะเห็นว่าเป็นการพร่าพานเวลาของตนให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นจึงทรงแสดงว่า บุคคลไม่ควรไม่ควรใส่ใจถึงถ้อยคําหยาบคายไร้กาศของบุคคลอื่นหรือสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของบุคคลอื่นแต่ตรวจสอบสิ่งที่ได้ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนเท่านั้นตอนนี้เป็นเป็นเพราะอะไรเพราะการตรวจสอบสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนนั้นจะช่วยเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ทำแล้วถ้าบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขเอาสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือกำลังทำอยู่ก็รีบเร่งกระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนี้ก็จะถึงตนเองและถึงบุคคลอื่นแต่ส่วนการไปใส่ใจไปสนใจเรื่องราวของบุคคลอื่นนั้นมีแต่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนทายเดียว ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นการพร้าพรานเวลาของตนให้สูญสิ้นไปประโยชน์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นแต่เวลานั้นก็สูญสิ้นไปแล้วเป็นความสูญเปล่าของการละเวลาแต่แนวชีวิตที่เรียกว่ามีราตรีเดียวเจริญพระเจ้าจึงให้ตรหนักในเรื่องของตัวเองเชิพิจารณาตรวจสอบตัวเองเรื่องความเพียรพยายามในการจะลดละความชั่วเพิ่มพูนความดี ทรงสอนว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทําเสียในยวันนี้ในขณะ น, นี้เพราะว่าบุคคลจะไม่สามารถผัดเพียนต่อความตายหรือพยายา ม, มัจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่ไปได้แต่ทีนี้บางครั้งตันหานั้นแม้เราแก้ไขปัญหาจากภายนอกได้แล้วแต่ว่าตันหานั้นได้มีอยู่ในภายใน เพาจริงๆแล้วคนเกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาตัณหาจึงเป็นอาลอยคือที่อยู่อาศัยของใจที่ทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนปลาที่เกิดขึ้นในน้ําจะติดอยู่ในอาลอยคือน้ําคนก็เกิดขึ้นมาโดยอำนาจของตัณหาแกติดข้องอารอยอยู่ในเรื่องของกามาคุณทั้งหลายคือสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจ นั้นความคิดในการเพิ่มตัญหาบางครั้งมันเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกอารมณ์ที่เก็บสั่งสมไว้ภายในใจที่พระมีพระุทคเจ้าได้ทรงตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์จนผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ต, ตลอดกาลยาวนานนั้นในที่สุดเมื่อจสรู้ก็ทรงตรวจสอบดูบแล้วจึงเห็นว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากความคิดนี่เอง คือความคิดความจึกนึกการเหนี่ยวอารมณ์มาจึกนึกเป็นการเพิ่มความใคราความปรารถนาความพอใจให้แก่ตัวเองทํานองเดียวกับบุคคลอยู่ว่างๆเกิดรู้สึกว่าเวเปาะเปรียวขึ้นมาก็ไปเหนียวนึกเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองเสีนว่าเหนียวนึกว่าที่นี้น่าจะมีผีดุกรู้สึกเงียบปงเวงรู้เกินแล้วก็นึกถึงผีด้วยไปแต่ในที่สุดก็ตกใจเอง จับสันเองจับไข้เองหัวโกรนเองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการปรุงของบุคคลเหล่านั้นสิ่งนั้นถ้ามีแก่ก็มีของแก่ แ, ก, แ ก, ก่ไม่มีแก่ก็ไม่มีแต่แกม่มีแก่ก็อยู่ของแก่การที่แก่มีอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ใจของบุคคลได้ก็เพราะใจเป็นเหนี่ยวนึกขอเองแต่นั้นยังสงแสดงว่าความดำรินั้นเป็นความไข้ ของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายลรัตสั่งเป็นทํานองกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกว่าดูก่อนราบบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารินี่เองต่อไปเราจกไม่ดําริถึงเจ้าอีกแล้วนี่เป็นพระพุทธดำรัสในเชิงที่เป็นอุทาน คือคำว่าอุทานนั้นเป็นการเปล่งขึ้นในถ้ำกลางเขาเรียกว่าด้วยปีติโสมนัสที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วก็เปล่งอุทานใกล้ๆกับคนมีความดีใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดเปล่งคําอะไรขึ้นมาสักคำหนึ่งซึ้งแสดงถึงความชื่นชมโสมนัสของตนวันพระพุทธเจ้าเมื่อพระทัยของพระองค์หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสทั้งหลายก็เกิดปีติโสมนัสขึ้นแล้วก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นมาในฐานะนั้นๆ เป็นกลุ่มหนึ่งของคำสอนที่เราเรียกว่านวังกสัตรุศาสตร์การเปล่งอุทานในขณะนั้นบางทีก็มีคนอยู่บางทีก็ไม่มีคนท่านจึงใช้คำว่าอุทานอุทานเหล่านี้เป็นการชี้เห็นว่าแม้อารมณ์คือความกำหนัดรักใคร่ยินดีจะมีอยู่ภายในใจก็ตามแต่ถ้าหากว่าใจไม่เป็นเหนียวมันนึกเป็นเหนียวมันคิดหรือไม่ดาริถึง สิ่งเหล่านั้นก็จะอยู่อย่างที่ก็อยู่จะไม่ทำความรุนแรงความเร้าร้อนให้เกิดขึ้นกัจิตใจของบุคคลจึงก็มีลักษณะอย่างที่ทรงอุปมากิเลสประเภท ใ, ใช้คำว่าอนุสัยคือสงบนอนเนื่องอยู่ภายในใจคนเรามีกิเลสคือความใคร่มีความโกรธมีความหลงมีความริสยาจุ แต่พึงสังเกตว่าที่จริงพวกนี้แกไม่ได้ขึ้นครอบงำใจของเราอยู่เสมอเราไม่โลภตลอด24ชั่วโมงไม่โกรธไม่โกรธตลอด24ชั่วโมงไม่หลงตลอด24ชั่วโมงไม่ได้สัญญาใครอยู่ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงมันมีบางช่วงบางขณะเท่านั้นเองที่มันเกิดความใคร่ความปรารถนาขึ้นเกิดความโกรธความจริงช่างขึ้นแล้วเกิดความริษยาอาฆาตขึ้น ถ้าวิเคราะห์ดูว่าทำไมแกจึงเกิดเมื่อก่อนแกไม่เกิดทำไมแกจึงเกิดมาก็แสดงว่าเวลานั้นขณะนั้นจะต้องมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกซึ่งเรามีเชื้ออยู่ภายในแล้วเจรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ใจของบุคคลเก็บไว้ในฐานะเป็นสิ่งซึ่งน่าใครานะ่าปร า, านาน่าพอใจมาปรากฏทางตาหูเป็นต้น ตานาก็จะขึ้นสู่จิตเข้าไปรับอารมณ์ดอกนั้นปริมาณของตานาก็จะเพิ่มขึ้นแต่บางครั้งเพิ่งสังเกตว่าเรานอนอยู่แท้ๆอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่มีแต่ใจก็เป็นเหนียวเอาอารมณ์ในอดีตบ้างอารมณ์ที่ผ่านมาใกล้ๆบ้างอารมณ์ที่ผ่านมาไกลๆบ้างหรือบางครั้ง อาจจะเป็นอารมณ์ที่คิดว่าตนจะได้และในที่สุดความคลายความปรารถนาก็บังเกิดขึ้นอารมณ์อดีตนั้นก็คือการเหนียวนึกถึงสิ่งที่ดีงามในอดีตความสุขความเพลิดเพลินความยินดีที่ตนเกิดสัมผัสในอดีตมันก็เกิดความคลายความปรารถนาความพอใจอยากให้ได้อยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้คืนมา แต่ก็จริงแล้วแกได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นบุคคลก็จะเกิดความเร่าร้อนมากยิ่งขึ้นจนบางครั้งเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้กว็กลายเป็นความเครียดทางอารมณ์และเพึงสังเกตว่าพวกนี้พวกนิวรทั้งหลายที่พบกลุ่มธรรมะเหล่านี้อยู่เสมอนั่นถ้าพอเริ่มอย่างนี้คือเริ่มด้วยความใคร่ยและเริ่มด้วยความไม่พอใจ เมื่อไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการจะให้เป็นใจก็จะฟุ้งซัดสายไปเรื่อยๆเพราะซัดสายไปโดยไม่มีทิศไม่มีทางคล้ายๆกับคนที่หมุนบนอยู่ในกรงแคบๆพอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นพวกฉี่นมิถะจือความง้งเหงาห้านอนซึ่งซึมงนอยเหงาโหดหูเคลอบเคริ้มจุดชื้นชาเย็นหมดอะไรตาอยากในชีวิตเป็นอาการเสง นี่แสดงว่ามีการเก็บกฏความคิดเหลยดนั้นเอาไว้มากสั่งสมไว้มากผ่านการมาเวลามาเป็นหลายปีผิดหวังไม่เป็นไปตามที่ตัวหวังหรือเกิดความคับแค้นหยุดเยอยาวนานในสุดมันก็ตกเป็นตะกรอนใจขึ้นมาแสดงอาการเหล่านั้นดะนั้นบางครั้งพวกนี้เมื่อมีแรงกระตุ้นมาจากข้างน อ, อกแกก็เกิดัแกได้ แต่บางครั้งไม่จําเป็นจะต้องเกิดคือเราเหนียวนึกขึ้นมาโดยในัยยะที่กล่าวแล้วทํานองเดียวกับการเอาน้ําไปกวนในตุ่มน้ําซึ่งมีตะกอนอยู่ข้างล่างเมื่อก่อนน้ํามันก็ใสสะอาดดีอยู่แต่พอมาไปกวนความขุ่นข้นก็จะเพิ่มขึ้นข้อนี้ดูได้ว่าถ้าเรากวนไม่มากมันก็ขึ้นมา้ขึ้นมาน้อยการที่น้ําขุ่นข้นหมดทั้งตุ่มนั้นแสดงว่ากวนกันอย่างต่อเนื่อง เรื่องของความคิดที่เหนียวนึกถึงอารมณ์อันก่อให้เกิดกิเลส ต, ตันหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลเป็นเหนียวนึกจนพลันอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างในสุดจิตใจก็ว้าวุ่นสับสนบางครั้งก็กลายเป็นการสร้างวิมานในอากาศไปจึงจะเห็นว่ากิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการสนองตอบตันหาที่มีอยู่ภายในใจเรียกว่าตันหวิจริตหรือตันเที่ยว เที่ยวไปของตัดหาที่มีอยู่ภายในใจคนเช่นกิจกรรมที่เกียนกับสลากกินแบ่งการเล่นหวยเบอร์การเสี่ยงโชคในลักษณะต่างๆเพื่อคนกำหนัดเพลิดเพลินถึงสิ่งซึ่งตนคิดว่าจะได้ในอนาคตถ้าใครที่คิดมากเป็นอเอาบากหลังจากมีพวกนั้นอยู่ในมือแล้วก็จะปรุงคิดคิดปรุงวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินทองซึ่งตนได้มาจากการเล่นสลากกินแบ่ง แล้วมักจะคิดรองวนมากมากแล้วในที่สุดเราจะเห็นว่ามันมีทั้งโลภะมีทั้งโมะ่ะอยู่ภายในใจเพราะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเองคนเริ่มคิดไปนิจจนาให้ถ่องแท้ก็จะเห็นว่าความหวังนั้นเลือนลางจนยากที่จะประสบความสมหวังได้เพราะแม้แต่สิ่งสองสองฝ่ายคือหนึ่งกับหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ก็มีคนยังพ่ายแพ้สิ้นเนื้อประดาตัวกันได้เช่นว่ามวยก็มีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นมีประตูแพ้กับชนะเท่านั้นเราก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าใครแพ้ใครชนะนับปภาษาไรกับการเล่นหวยเบอร์ซึ่งมีตัวเลขมากมายหลากองเช่นนั้นแล้วก็มีประตูถูกอยู่เพียงเล็กน้อยคนจะได้ตามที่ตัวก่อนแต่พระโมหะปิดบังปัญญาเอาไว้ตันหาก็แล่นไปในอนาคตอาจจะได้ถึงเจ็ดวันสิบห้าวันตามช่วงที่กําหนดกันขึ้น นี่ก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของตัญหาที่เกิดมาจากการเดี่ยวนึกใจก็กทำให้แล่นไปในตัญหาเหล่านั้นซึ่งก็สร้างปัญหาในชีวิตของบุคคลได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานและทำให้เกิดเหตุต่างๆหรือเกิดความเป็นในลักษณะต่างๆแต่ว่าตานาไม่มีการควบคุมทิศทางให้เหมาะสมการกระทำของบุคคลเกิดจากแรงดันของตานาที่รุนแรงก็ประกอบอาชญากรรม ก็ทำให้เปลี่ยนสถานะของตนเองเป็นข้าตากรเป็นอาจากรเป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาที่เมื่อสืบเสาะลงไปแล้วจะพบว่าความรุนแรงทั้งหมดเหล่านั้นที่ชาวโลกเดือดร้อนกันอยู่ก็เพราะตันหาเป็นเหตุสาคัญซึ่งผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของตันหาแล้วก็ควรจะลดละบันเทากระแสแห่งตันหาไม่รุนแรงท่วมทับใจจนเกินไป แล้วจะได้สัมผัสความสุขความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป